วิธีฝึกสังเกตหน้าตาของกุศลจิตและกุศลเจตนาวิธีฝึกสังเกตว่ากุศลจิตหน้าตาเป็นอย่างไรเบื้องต้นให้ดูที่ความรู้สึกเบาดูความรู้สึกชุ่มชื่นและดูความรู้สึกสว่างดูแล้วเห็นว่ารู้สึกอย่างไรให้ถือว่าเกิดนิมิตทางใจอย่างนั้นเช่นรู้สึกโล่งเบา แต่ไม่ชุ้มชื่นมากไม่เกิดความรู้สึกว่าสว่างมากอันนั้นถือเป็นนิมิตทางใจของกุศลจิตอ่อนอ่อนเด็ดเท่ารู้สึกโล่งเบาด้วยชุ้มชื่นมากด้วยหรือกระทั่งเหมือนสว่างออกมาจากข้างในด้วยอันนั้นถือเป็นนิมิตทางใจของกุศลจิตที่เต็มรอบขึ้นวิธีสังเกตหน้าตาของกุศลเจตนานเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตตามมาเบื้องต้น ให้ดูที่วิธีคิดช่วยคนแต่ละวันที่ต้องพบปะผู้คนอย่างไรคุณก็ต้องคิดช่วยคนในทางใดทางหนึ่งเมื่อต้องช่วยตามหน้าที่แล้วทําเต็มที่ด้วยเจตนาให้เขาเบาแรงหากทําให้เขาเบาแรงได้คุณเองจะรู้สึกเบาใจแต่ถ้าช่วยตามหน้าที่ด้วยความรู้สึกทําไปแกนแกนไม่ได้มุ่งหวังเกื้อกูลใคร แม้ทําให้เขาเบาแรงได้ใจคุณก็มีน้ำหนักเท่าเดิมแต่ถ้าช่วยแม้ไม่มีหน้าที่ช่วยด้วยความอยากสงเคราะห์ไม่มีประสองค์อื่นแอบแฝงหากทําให้เขาเบา แ, บาแรงได้คุณจะเกิดความเบาใจด้วยชุ่มชื่นด้วยและถ้ายิงคนที่คุณช่วยคือผู้ทรงศีลหรือเป็นพราดีที่คุณเลื่อมใสก็ยิงเกิดความสว่างวาบน้อยหรือวาบนาน เมื่อสังเกตกุศ ล, ลจิตกุศ ล, ลเจตนาเป็นคุณจะมีกำลังใจทากุศลมากขึ้นและยิ่งสร้างกุศลได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นจิตหรือกระทั่งทะลุไปเห็นนิมิตผลแห่งบุญเป็นภาพชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญชัดเจนขึ้นทุกที